วันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังก็ปรารพบจากการที่ได้บินทบาทตอนเช้านี่แหละตอนบินทะบาตไปบ้านหนองเต่าทุกเช้าเลยก็จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบรรยากาศของการบินทบาตนี่นะก็จะมีพวกหมาเนี่ยเต็มถนนเลยบ้านนั้นก็มีหมาบ้านนี้ก็มีหมาแต่อุปนิสัยของหมาแต่ละบ้านก็ไม่ไม่เหมือนกัน หมาบ้านใกล้เคียงกันก็จับกลุ่มเป็นพวกแล้วก็พอไปไกลหน่อยก็จับกลุ่มกันเป็นพวกถูกกันบ้างไม่ถูกกันบ้างก็สังเกตเห็นอยู่ตัวหนึ่งัวนี้เป็นหมาเล็กแหละอาจจะสักไม่เกินไม่เกินปีหนึ่งตัวก็ยังรุ่นๆุ่นอยู่ตัวน้อยยังไม่โตเต็มที่แหละเพราะเห็นพระนี่ ดีใจมากเลยวิ่งเข้าม า, เ, าเล่นด้วยนะกระโดดปากงับชายจีอบอบ้างแหละมาพอพระเดินไปมันก็วิ่งตามวิ่งตามพอกัดชายจีวอได้นิดนึงก็ไม่เชิงกัดเข้านะแบบได้สัมผัสนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ดีใจก็วิ่งกลับไปท้ายแถววิ่งกลับมาหัวแถวใหม่ดีใจ แล้วก็ขากลับนี่ก็เจอก็วิ่งกับเข้ามาอีกดีใจมากก็เป็นอย่างนี้สุกวันทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้กับตัวอื่นเนี่ยจึงแตกต่างกันทำไมตัวนี้เนี่ยมันดูดีใจเป็นพิเศษมันก็ไปลงคำตอบตรงไหนไม่ได้หรอกมันก็คือกรรมนี่แหละอาจจะมีความคุ้นเคยกันชาติก่อนอาจจะมีความคุ้นเคยรักชอบพอในเพศของนักบวชมาเห็นพระก็ดีใจ เก็เลยวิ่งเข้ามาเล่นด้วยด้วยมีอัธยาศัยที่มีความชอบพอแต่เดิมกับตัวอื่นนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คำถามก็มีว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นหมารุ่นโตมาเนี่ยถ้าเกิดได้ใกล้ชิดเนี่ยมันก็จะมีอุปนิสัยที่ที่ดีแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเนี่ย แต่ถ้ามีจิตดำรงอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในมงคลที่พระเจ้าท่้ทรงตรัสไว้ก็คือสมณนานั้นจะดัชนงการเห็นสมณะเป็นมงคลเห็นแล้วมีจิตใจแช่มชื่นเห็นแล้วมีใจเบิกบานจิตเป็นกุศลก็สามารถที่จะไปสู่สุขติมีมนุษย์มีสวรรค์แล้วก็พรหมโลกได้ในตัวอย่างธรรมบทก็มีอยู่ เช่นเรื่องของมัทะกุนทะลีพ่อของมัทะกุนทะลีเนี่ยเป็นเศรษฐีรวยมากแต่ตระณีมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมัถธะกุนทลีเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีโอกาสจะได้ให้ทานเลยตัวเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคพ่อก็ตระนีจะไปจ้างหมอมาก็เสียได้ตังค์ก็เอาอาการไปถามแล้วก็เอามาปรุงยาเอง ให้ลูกกินก็ไม่หายสิทีนี้พอไม่หายแล้วเป็นยังไงก็ป่วยหนักไปป่วยหนักไปแทนที่พ่อจ ะ, อะมีเปลี่ยนความคิดความเห็นว่า เ, เราจะต้องอจ้างคนมาดูแลให้ดีก็ยังตรณีเห็นเงินสำคัญกว่าลูกแล้วแถมกลัวไปอีกว่าถ้าเกิดลูกเราเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ญาติก็ต้องมาเยี่ยมพอญาติมาเยี่ยม เราก็จะต้องเสียค่าในการที่จะคอยต้อนรับดูแลก็เลยเอาเอาลูกตัวเองเนี่ยไป น, นอนอยู่ชาญข้างนอกชายข้างนอกจะได้ไม่มีใครเห็นมากนั่นเถอะตอนเช้าก่อนที่พระเจ้าจะทรงไปบินทบาทมัทัะ ก, กุณฑลีบุตรเนี่ยก็ได้เข้ามาในข่ายของพระยานพระอง์ก็ได้ไข้ครัวแล้วก็ทราบว่ามัทัะกุณฑลีเนี่ย ใกล้ตายแล้วทีนี้ถ้าพระพุทธองค์เนี่ยไปโปรดแต่ก็คงจะไม่ได้เข้าบ้านหรอกเพราะว่าเศรษฐีนี่เป็นคนตระหนี่มากคงจะไม่ได้คงจะไม่ได้ใสบาตรไม่ได้สนทนากับมาถักกุณฑลีแน่นอนแต่พระองค์ก็ทราบว่าเพียงแค่พระองค์ไปยืนที่ด้านหน้าแล้วมาถักคุณฑลี เห็นพระองค์แล้วเนี่ยมีจิตเลื่อมใสเกิดขึ้นก็ที่อย่างว่าสัมณาดาลเจตสนางพอเห็นสมณะแล้วจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เสียชีวิตลงแต่จิตที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจิตที่ผ่องใสตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวเองเนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตรแต่ถ้าไม่มีจิตตัวนี้มาถายุณธรีบุตรเนี่ย ก็ไม่มีบุญพอที่จะได้ไปสุคติพระองค์ก็จึงไปโปรพอมัทถ ก, กุณฑลีได้เห็นแล้วก็มีจิตเริ่มใสเพะพระ อ, อ, องค์ทราบพระ อ, องค์ก็เดินเสด็จไปบินาบาตต่อไปอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าจิตของคนหรือว่าจิตของสัตว์เนี่ยไม่ต่างกันเป็นธรรมชาติอันเดียวเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันเพียงแต่ว่า เขาสวยกรรมเลยได้มาอยู่ในทุกขติที่มันไม่ดีมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยส่วนใครที่มีบุญมากก็ได้ไปสุขติก็คือที่ที่มีสุขมากมีทุกข์น้อยแต่ยังไม่ได้ขึ้นชื่อว่าไม่มีทุกข์นะแดนพ้นทุก์เป็นแดนที่พระอริยเจ้าทั้งหลายพระขีณาสวะทั้งหลาย เป็นเจ้าของได้ก็ย้อนกลับมาที่ตัวหมาตัวเนี้ยลูกหมาตัวเนี้ยก็มีจิตเริ่มใส่แนละ้วก็คิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันยังดำรงจิตได้อยู่อย่างนี้ตลอดอัถภาพเนี่ยก็มีสุขติเป็นที่ไปเป็นสุขติเป็นที่หมายได้แต่ก็น่าเสียดายอยู่อย่างหนึง่งก็ตรงที่ว่า ตอนนี้เขามีจิตยินดีมีจิตเริ่มใสในพระสงฆ์ต้องการทำความคุ้นเคยด้วยต้องการเข้ามาคลุกคลีด้วยแต่ด้วยอัธภาพของเขาเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่สามารถที่จะดำรงคุณวิเศษใดๆไ ด, ได้ในทางพระพุทธศาสนามีฌานมีสมาธิมีมรรคผลนิพพานเป็นต้น โดยเฉพาะมากฝนนิพพานเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับสัตยรยรฉานเปรตสัต์นรกอสุรกายไม่สามารถที่จะมีได้ในสัตว์เหล่านี้ท่านก็ตรัสเรียกว่าเป็นอภัสสัตว์ก็คือเป็นพวกอาภาัพนี่แหละจิตเนี่ยมันดีแล้วแต่อัตาภาพมันไม่ดีมันก็เลยเสียด้โอกาสพลาดโอกาสสําคัญไปเพราะว่าตอนนี้นี่ศาสนา คำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังมีอยู่ดำรงอยู่เพียงแต่ว่าอัตภาพที่เราได้มาเนี่ยมันไม่เอื้อที่จะได้ฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมและจะได้บรรลุธรรมเสียได้อกาสตัวนี้มากถ้าตายไปแล้วเนี่ยมีจิตที่เศรหมองขุนมัวแล้วก็ไปทุกขติที่มันแย่กว่านี้มีสัตว์นรกเป็นต้นก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่า เมื่ อ, อไรจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกเมื่ อ, อไรจะได้มารักษาศีลมาให้ทานได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็พลาดโอกาสเรียกว่าพลาดโอกาสสำคัญแต่ท่านฟังเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีแล้วคือได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มาแล้วมีโอกาสที่ดีมากที่จะเาเรียกว่ามีคุณสมบัติที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้มีคุณสมบัติที่ดี ถ้าเปรียบเป็นภาชนะก็คือมีภาชนะที่ไม่คว่ำเป็นภาชนะหงายที่ไม่มีฝาปิดสามารถที่จะเปิดรับน้ำได้เพราะนั้นเราอย่าทำสิ่งของมีค่าสิ่งมีค่าที่เราได้มาแล้วเนี่ยให้มันสูญหายไปแม้แต่ลูกหมาตัวนี้มันยังทำจิตเริ่มใสในพระสงฆ์ได้ก็เป็นบุญ เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้แล้วเนี่ยถ้าพลาดโอกาสที่จะได้ทำจิตให้มีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วเนี่ยก็เสียดายโอกาสพลาดโอกาสอันงามพลาดโอกาสอันดีพลาดโอกาสที่เราจะไดะ้เรียกว่าเจอขุมทรัพย์ที่จะนำพาให้เราไปได้เจอสุขติในเบื้องหน้า เวลาที่เราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ย<_ <k> _>เรียกว่า <head> มีต้นทุนที่ดีแต่บางคนบางกลุ่มบางพวกก็ใช้ต้นทุนที่มีเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำให้มันพอกพูนงอกงามขึ้นมาแต่บางคนบางกลุ่มบางพวกก็ทำต้นทุนที่ดีตรงเนี้ยให้มันงอกเงยงอกงามเจริญขึ้น ต้นทุนที่ว่านี้ก็คือการที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมอันนี้คือการที่เรากำลังพัฒนาต้นทุนให้ให้มากขึ้นให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นไม่ได้มีว่าของเก่าแล้วเราก็ใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวจนหมดไปไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมปัญญาเพราะนั้น เวลาที่เราทำการค้าขายเนี่ยเราก็อยากได้กำไรนะแต่ทีนี้ถ้าเรามองแต่เพียงภายนอกอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเห็นลึกซึ้งและเข้าใจถึงว่าทำไมเราจะต้องมาให้ทานทำไมเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมแล้วการที่ที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้เป็นพระโสดาบันก็ดี สกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์มันดีกว่าการที่เรามาทํางานเป็นได้เงินมาเป็นมหาเศรษฐีมันดีกว่ากันตรงไหนเพราะนั้นก็ย้อนกลับมาตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยจุดหมายปลายทางหรือวัตถุประสงค์เนี่ยท่านก็บอกว่าให้เราทําที่สุดแห่งทุก ไม่ว่าจะเป็นกุดุมพีพระมหากริย์หรือยาจกขอทานเนี่ยสิ่งที่เสมอหน้ากันก็คือความทุกข์นี่แหละเป็นผู้ที่มีความทุกข์แบบเดียวกันมีความทุกข์ใจได้เหมือนกันแต่คนที่สามารถที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงและทำที่สุดของทุกข์ได้เนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอน ราชจากความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นก็ต่างกันตรงนี้แหละในเวลาที่เราได้เข้ามาในเส้นทางนี้แล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือท่านก็สอนให้เรารักษาศีลได้ให้ทานเป็นเบื้องต้นที่ใครๆก็สามารถที่จะทําได้พอทําไปได้อาจจะฝืนบ้างสําหรับคนที่จิตใจยังไม่คุ้นชินแต่ก็ฝืนทําได้เหมือนกันแล้วก็ทํำบ่อยๆทําบ่อยๆมันก็จะชิน พอชินทีนี้เราก็ง่ายละทำได้ง่ายพอทำได้ง่ายรักษาศีลได้บ่อยๆให้ทานได้บ่อยๆทาทสมาธิเราก็มีแก่ใจที่จะทำแล้วเราก็สามารถที่จะทำแล้วได้ผลที่ก้าวหน้าคล้บหน้าขึ้นไปพอจิตสงบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นจริงได้ดีขึ้นเลยว่าสิ่งที่พู้เจ้าตรัสเนี่ยมันหมายถึงอะไร สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในภายนอกเหมือนที่ที่เราเริ่มศึกษากันใหม่ๆสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยมันจะเห็นชัดแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงที่ท่านตรัสเลยแล้วเวลาท่านตรัสเนี่ยท่านไม่ได้ชี้ออกไปที่ไหนหรอกท่านกะชี้ย้อนกลับเข้ามาที่ใจของเราเอาใจของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานเวลาที่ใจเราสงบสบายผ่องใสแล้วเนี่ยมันยิ่งจะต้อง ศีลจะต้องเข้มข้นขึ้นให้ทานเราก็มีแก่ใจที่จะทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นในทั้งความบ่อยความถี่หรือความละเอียดประณีตในการให้ทานของเราเราจะมีเกีตใจเป็นอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาได้เห็นตามความเป็นจริงได้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรบ้างมันเป็นความทุกข์ เห็นชัดเรื่องของเหตุเกิดทุกข์มากขึ้นเห็นชัดแล้วก็เข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยเราโดนธรรมชาติอันหนึ่งมันปกปิดไว้หลอกเอาไว้ว่าสิ่งที่เรายินดีในขณะนั้นสมัยนั้นเป็นสิ่งดีแต่จริงๆแล้วเวลาเราเห็นตามความเป็นจริงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดียั่งยืนเป็นสิ่งที่ยังก่อทุกข์ได้เป็นสิ่งที่ยังนําทุกข์มาให้เราได้ มันมันก็เริ่มมาจากใจที่มันได้สงบระงับลงไปเริ่มจากใจที่เราได้เห็นว่าความสบายของใจที่มันเกิดขึ้นความสงบความเยือกเย็นความผองใสที่มันเกิดขึ้นพอเราไปถึงต่อมตรงนี้แหละธรรมะมันจะกระจายออกไปเข้าใจไปหมดไอ้นั่นก็ใช่ไอ้นี่ก็ใช่สิ่งที่ธรรมะ สิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เนี่ยมันก็โยงเข้ามาถึงจุดนี้แหละไม่ได้โยงออกไปจากจุดไหนแทนที่เราจะมองออกไปหาธรรมะแล้วก็พระเจ้าตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างนี้นี่คือธรรมะที่พระเจ้าตรัสเราก็จะย้อนมันกลับมาทั้งหมดแหละย้อนกลับเข้ามาถึงจุดตรงนี้ตอมตรงนี้อ๋อสิ่งที่พระเจ้าตรัสมันคือตรงนี้มันคือจุดนี้สอนอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้สอนออกไปที่ไหนไม่ได้สอนพุ่งออกไปข้างนอกแต่สอนให้เราย้อนจิต กลับเข้ามาข้างในอยู่ในภายในตั้งมั่นแล้วก็รักษาใจของเราตัวนี้เวลาใจที่เราสบายแล้วแล้วเรารักษาให้มันดีได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่านิ ด, นดหน่อยๆ อ, อะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราจิตของเราเนี่ยเศร้าหมองจิตของเรากระเพื่อมหวั่นไหวไปในทางไม่ดีเราก็ทราบได้แล้วเราก็ละเอียดขึ้นแม้แต่ความคิดเล็กๆน้อยๆที่ สมัยก่อนเราคิดว่าเราทำถูกต้องตามสังคมว่าถูกแล้วคิดอย่างนี้เป็นคนดีคิดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแต่พอเรามองมีใจผ่องใสมีใจสงบเยือกเย็นเป็นตัวเทียบเคียงแล้วเนี่ยเราก็จะทราบเลยว่าความคิดลักษณะบางลักษณะเนี่ยถึงแม้จะดีตามสมมติของคนภายนอกโลกที่เขาสมมติกันแต่จริงๆแล้วก็ยังเป็นเครื่องที่ ทำให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองขุณมัวอยู่ใจเรามีความไม่สบายเกิดขึ้นได้เพราะมันกระเพื่อมออกไปตามสมมติกระเพื่อมออกไปไปยึดไปถือไปเกาะหรือแม้แต่สิ่งที่ว่าดีกระเพื่อมออกไปคิดเอาไปทําแล้วเราก็กลายเป็นว่าใจเราก็เหนื่อยน่ายอ่อนแรงลงไปไม่สงบไม่ตั้งมัน่น มีความดีแล้วก็พัฒนาความดีอยากจะให้ดีดีดีดีดีสุดท้ายเราก็ไม่เห็นว่ามันมีอยากเนี่ยที่มันมาแทรกใจเราอยู่มีอยากที่ที่มันคอยคอยบงการเราอยู่แม้เป็นความความดีนะอยากดีมากเกินไปเขาเรียกว่ามากเกินไปนะไม่ตั้งอยู่บนความพอดีไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ทำทำไปแล้วเนี่ยใจเรายังสงบสบายอยู่ได้แต่พอมันมีความอยากที่มันเกินความพอดีเนี่ย ถึงแม้จะทำดีแต่มันก็ทำให้ใจเราหนักใจเราแน่นใจเราเศร้าหมองคุณหมัวไปได้เหมือนกันเพราะนั้นมันมันมีต่อมตัวนี้ที่มันจะให้เราสังเกตให้เราดูให้เรารู้ว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือมัชีมาของที่สิ่งที่พระเจา้าตรัสตรัสเอาไว้วันนี้ก็อาจจะดู เทศไปสเพเหระนะเรื่อยเปื่อยไปแต่ก็อยากจะย้อนกลับมาตรงที่ว่าเราได้ต้นทุนมาดีแล้วเราก็พัฒนาให้มันดีให้ได้มาร์กได้ผลเพื่อที่เราจะสามารถที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกได้แล้วเราก็จะทำยังไงล่ะทางเดินเนี่ยที่เราจะทำให้ต้นทุนของเราที่ได้มาดีแล้วเนี่ยทำให้มันงอกงามงอกเงยออกมาก็คือให้ปฏิบัติตามเรียมารมีองแ ว่าโดยย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาเน่ยแหละให้เห็นใจให้เห็นจิตที่มันผ่องใสแล้วเราก็จะเห็นทางเดินทางเดินที่จะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ได้